ตอนที่เก้าทรงประสบความสำเร็จในวันต่อมากุลสตรีผู้หนึ่งมีนามว่าสุชาดาซึ่งอาศัยอยู่ในถิ่นนั้นได้นำข้าวซึ่งหุงด้วยนมที่คัดเลือกอย่างดีที่สุดมาถวายถึงที่ประทับเมื่อถวายอาหารนี้แล้วนางสุชาดาได้กล่าวแก่พระองค์ว่า ขอให้พระองค์จงประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทรงประสงค์เช่นเดียวกับที่ดิฉันได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ดิฉันประสงค์แล้วเถิดเจ้าค่ะพระองค์ไม่ปฏิเสธการถวายทานของนางสุชาดาทรงรับและฉันในขณะนั้นเองด้วยความพอพระทัยในคุณประโยชน์แก่ร่างกายพระองค์เป็นอย่างยิ่งต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จสู่ต้นไม้อัศสัทธะ ซึ่งเป็นอนุสาวรีแห่งการตรัสรู้ของพระองค์มาจนกระทั่งทุกวันนี้ซึ่งเราเรียกกันว่าต้นโพหรือต้นไม้แห่งการตรัสรู้คำกล่าวของกุลสตรีสุชาดานั้นยังคงก้องอยู่ในพระโสดของพระองค์ว่าขอพระเป็นเจ้าจงประสบความสำเร็จดังที่ดิฉันได้ประสบความสำเร็จเถิดเจ้าข้าดังนี้ จนกระทั่งพระองค์ได้เสด็จเข้าไปสู่โคนไม้นั้นณบัดนี้พระองค์ได้ประทับลงยังโคนไม้นั้นทางทิศตะวันออกอันเกลียด้วยหญ้าแปดฟ่อนซึ่งคนตัดหญ้าชื่อโสธิยะถวายแก่พระองค์ และทรงอธิษฐานจิตกำหนดพระไทยต่อพระองค์เองว่าแม้เลือดเนื้อในกายจะเหือดแห้งไปจนเหลือแต่ห น, นังเอ็นกระดูกก็ตามหากไม่บรรลุความสําเร็จอันจกช่วยเพื่อนมนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเกิดความตายที่ซ้ําแล้วซ้ําอีกจนหน้าเบื่อหน่ายนี้ได้พระองค์ก็จะไม่ยอมลุกไปจากที่นั้น แม้จากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก็ตามการอธิษฐานอย่างแน่วแน่เฉียบขาดเช่นนี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากและยังไม่เคยมีใครในโลกเคยอธิษฐานเช่นนั้นนักบวชในประเทศอินเดียจำนวนมากได้พยายามบำเพ็ญตบะพระมาณทางกาย และทางจิตอย่างแข็งกล้าตลอดเวลาเป็นปีๆแต่สิ่งที่เขาได้รับนั้นเป็นเพียงความสุขชนิดชั่วคราวยังไม่สามารถต้านทานความเปลี่ยนแปลงของการเวลาได้เมื่อสุขในสวรรค์เสื่อมสิ้นลงเขาต้องละโลกที่พอใจชนิดนั้นกลับมาสู่โลกชั้นต่ำอีกเช่นเดิมนี้เปรียบดังบุคคลคนหนึ่ง สะสมเงินทองไว้ในหีบเป็นอันมากแล้วก็เริ่มใช้สอยไปเรื่อยๆไม่นานก็หมดสิ้นไปเหลือแต่หีบเปล่าซึ่งต้องทำการสะสมใหม่อีกข้อนี้ฉันใดนักบวชที่ได้ประสบความสุขที่ไม่ถาวรเมื่อความสุขสิ้นไปแล้วเขาก็ต้องทนยากลำบากบำเพ็ญขึ้นมาใหม่ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดฉันนั้น ด้วยประการนี้จึงทําให้เขาต้องวนเวียนไปมาอยู่ระหว่างการเกิดในโลกสวรรค์กับการเกิดบนโลกแผ่นดินเวียนไปเวียนมาอยู่เช่นนี้ไม่มีสิ้นสุดลงได้เลยความยากลําบากทํานองนี้ดุ ด, ดังการเข็นครกหนักแสนหนักขึ้นภูเขาซึ่งมันมีแต่จะกลิ้งลงสู่ตีนเขาอยู่ร่ําไปซึ่งเขาจะต้องระดมกําลัง กลิ้งขึ้นไปใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีที่สิ้นสุดส่วนสิ่งที่พระสิท ธ, ธะแสวงหานั้นเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรใครได้ประสบเพียงครั้งเดียวก็ไม่ต้องพยายามทำเพื่อให้ได้ให้มีอีกต่อไปไม่เสื่อมสิ้นไม่ตกต่ำ บัดนี้พระสิท ธ, ธัตถะได้ระดมกำลังจิตของพระองค์ต่อสู้กับธรรมชาติฝ่ายต่ำทรงยกจิตให้ขึ้นสูงเหนือทุกสิ่งที่ผ่านมามากมายนั้นทรงสลัดความคิดอย่างโลกโลกเสียสิ้นเชิงปักใจค้นหาความจริงในข้อที่ว่าความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่แทนที่จิตของพระองค์จะกาหนดไปในทางเดียวกลับหวนิดกลับไปกลับมา ถึงความสบายแต่หนหลังภาพที่ปรากฏขึ้นมาในใจของพระองค์ขณะนั้นนับแต่พระราชวังและห้องบรรทมอันแสนวิจิตรการตาภาพลานพระอุทยานอันสดชื่นด้วยไม้ดอกหลากสีทั้งภาพสะบัวซึ่งชูดอกนานาพันธ์งามจับใจภาพแห่งสาวสันกำนันนางแวดล้อมคอยปรนิบัติรับใช้พระองค์อยู่ ภาพพระชายาผู้งามเลิศและโอรสน้อยสุดที่รักผู้มีพระรูปโฉมงดงามด้วยลักษณะหน้าภาคภูมิใจและพระองค์ยังได้ทรงเห็นภาพพระบิดาซึ่งทรงพระชารามีพระเกศหงอกขาวกำลังระทมทุกถึงพระโอรสหวังจะให้กลับมาช่วยดูแลบ้านเมืองปกครองราษดรแทนพระองค์ต่อไปพระสิทธัตถะทรงเห็นภาพทั้งหลายนี้ ด้วยความที่เป็นจริงและในท่ามกลางความสงัดเงียบนั้นความคิดชนิดที่ไม่ทรงประสงค์เป็นอย่างยิ่งมันก็เกิดขึ้นจนได้ว่าสิท ธ, ธัตถะถ้าท่านอยู่ครองบ้านเรือนก็จะเป็นราชาผู้สูงศักดิ์ทรงอำนาจและเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่สิทธัตถะเ อ, อ๋ยชีวิตนี้เป็นของสั้นนิดเดียว ทำไมไม่ใช้เวลาที่เหลือน้อยนี้เสวยสุขอันรออยู่เพียบพร้อมสมบูรณ์อยู่ด้วยความเป็นจริงแต่ท่านกลับหนีออกมาสะหาสิ่งซึ่งอาจจะไม่มีจริงในโลกนี้ท่านแน่ใจหรือว่าท่านไม่ได้เป็นคนโง่หรือคนบ้าความคิดฝันของท่านดังวิมานในอากาศที่ไม่อาจไขค ว, ว้าสัมผัสได้และหากท่านจะสมัครใจ ออกสแสวงหาสิ่งที่ประสงค์นั้นทำไมจึงไม่ปฏิบัติตามวิธีที่นักบวชอื่นๆเขาทำกันความรู้สึกดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นภายในพระหรลุไทยของพระสิทธัตถะในคืนวันที่ประทับนั่งภายใต้ต้นโพมารได้หลอกล่อพระองค์ ด้วยการทำให้ลํำลึกถึงแต่ความเพลิดเพลินนานาชนิดแต่หนหลังด้วยการทำให้ลังเลว่าที่พระองค์ปฏิบัติต่อไปนี้จะถูกวิธีหรือไม่จะได้ผลสําเร็จหรือไม่แต่พระองค์ไม่ทรงยอมให้พระไทยของพระองค์หมุนกลับจากสิ่งที่ทรงมุ่งหมายยิ่งสิ่งเหล่านี้มาล่อหลอกพระองค์มากขึ้นเพียงไรพระองค์ก็ยิ่งทรงบังคับพระไถยให้มุ่งไปยังจุดหมายเดิมเพียงนั้น ทรงร้องขึ้นว่ามานเออยงกลับไปเถิดเรารู้แล้วแล่วว่าเจ้าคือปีศาจร้ายที่เฝ้าล่อลวงคนให้เลิกละความดีงามเจ้าอย่าเสียเวลาหมุนเราให้กลับไปจากสิ่งที่เราออกมาแสวงหาเลยเราจะนั่งที่นี่จนกว่าจะได้รับสิ่งที่เราประสงค์แม้เลือดเนื้อจะแห้ง เหลือแต่หนังกับกระดูกก็ตามทีณที่นั้นทรงดำเนินการต่อสู้และบากบัน่นค้นหาอุบายที่จะตัดรากเง่าของรสอร่อยอันเป็นเครื่องล่อใจสัตว์นี้ให้จงได้ และแล้วพระองค์ก็ประสบความสำเร็จเมื่อทรงแน่วแน่อยู่ในสมาธิจิตพระหฤทัยสงบประงับเสมือนน้ำในสระที่สงบปราศจากคลื่นลมความลังเลต่างๆมาลายสูญสิ้นไปด้วยอนุภาพพลังมหาศาลแห่งจิต พระองค์มีความสว่างสวัยเห็นชัดแจ้งด้วยยานอันคมกล้าณนะที่ประทับภายใต้ต้นโพในคืนนั้นทรงพิจารณาทบทวนลำดับความยาวยืดแห่งการเกิดการตายของพระองค์ตลอดกับตลอดกันทั้งอย่างสูงอย่างต่ำทุกรูปแบบทั้งอย่างเร็วและอย่างประเสริฐจนกระทั่งชาติสุดท้ายกำเนิดเป็นพระโอรส แห่งพระเจ้าสุดโทธนะและพระนางสิริมหามายาความเห็นแจ้งยานข้อนี้ของพระองค์ในยามแรกชื่อว่าบุพเพนิวาสานุสติยานพระองค์ได้ทรงเพ่งพิจารณาต่อไปอีก ด้วยยานอันแรงกล้าก็ทรงเห็นชัดถึงข้อที่สัตว์ทั้งหลายตายไปบางจำพวกได้เกิดเป็นคนมีความสุขเพราะตนทํากรรมดีไว้และบางจำพวกเกิดมามีความทุกข์เพราะได้ทำกรรมชั่วไว้ทรงเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะกรรมของสัตว์นั้นๆเองที่ทำให้เกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้ และโลกอื่นๆความเห็นแจ้งในลักษณะเช่นนี้ในยามสองเรียกว่าจุดตูปปตาตยานและในที่สุดสิ่งสุดท้ายอันใหญ่ยิ่งที่พระองค์ได้ประสบในคืนอันสำคัญนั้นคือทรงทราบ และเห็นชัดแจ้งปราศจากความสงสัยโดยสิ้นเชิงว่ามันไม่เป็นการถูกต้องหรือปลอดภัยเลยที่มนุษย์เราจักปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเรือลำน้อยๆลอยไปในทะเลอันมีคลื่นลมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทรงทราบว่า เหตุซึ่งทําให้คนเรากระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้นั้นเป็นเพราะหลงรักหลงติดในความสุขอันเป็นมายาสรพสัตติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อที่ติดบ่วงเพราะละโมบในเหยื่อเล็กๆน้อยๆที่เขาวางไว้ล่อมันหนทางเดียวที่จะรอดจากบ่วงนี้คือการดับเสีย ซึ่งความตะกะตะกรามต่อความเพลิดเพลินทุกๆอย่างไม่ปล่อยตัวให้ตกจมลงไปในสิ่งยั่วยวนและไม่ปล่อยใจให้ทะเยอทะยานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ยั่วมนุษย์และต่อจากนั้นพระองค์ทรงทราบถึงหนทางซึ่งบุคคลใดได้ปฏิบัติตามนี้ถึงที่สุดแล้วเขาจะได้พบและพอใจในสิ่งที่ดีกว่าและสูงกว่า แล้วเขาจกไม่หมุนกลับมาสู่ความทุกข์ทรมานจากความสุขที่เป็นมายานั้นอีกแต่จะสามารถลุถึงความสุขอันแท้จริงและถาวรกล่าวคือพระนิพพานมักรหรือหนทางอันนี้พระองค์ทรงเรียกว่าทางอันประเสริฐประกอบด้วยองแปดคือความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้อง การเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความรำลึกที่ถูกต้องและความตั้งใจที่ถูกต้องทรงพิจารณาโดยแยบคายถึงหลักธรรมอันเนื่องกันดังลูกโซ่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นความเกิดเป็นต้นเหตุแห่งความแก่และความตายเรียกว่าชาติ หากชาติมีชราและมรณะจึงมีเพราะความดับแห่งชาติชรามรณะจึงไม่มีและเพราะพบดับชาติจึงดับเมื่ออุปทานดับพบก็ดับไปด้วยดังนี้ทรงพิ จ, จารณาไปตามลำดับจนถึงต้นเหตุแรกค้นพบว่าอาวิชชา คือความไม่รู้จริงในสภาวธรรมทั้งปวงนั่นเองดังนั้นความดับไม่เหลือแห่งทุก์จะมีได้ก็โดยการดับไม่เหลือแห่งตัณหาอุปาทานเมื่อใดไม่มีตัณหาหมดสิ้นความยึดถือแล้วความทุกข์ก็ดับสิ้นไปทรงเปล่งอุทานว่าเราท<ร>่องเที่ยวในวัฏสงสารนับชาติไม่ท่วน ไม่เคยได้รู้ว่าตัณหาคือนายช่างก่อเรือนแห่งความทุกข์ต่างๆเราจึงมีความทุกข์อยู่เป็นอนเนกชาติดูก่อนตัณหาบัดนี้เราค้นพบเจ้าแล้วเจ้าจะก่อสร้างเรือนแห่งความทุกข์ให้เราอีกไม่ได้แล้วยอดเรือนและโครงเรือนของเจ้า เราก็รื้อถอนทิ้งกระทั่งรากจิตของเราถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาในสุดท้ายแห่งยามที่สามนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บังเกิดขึ้นในโลกนี้ณนะโคนไม้อัดสัทธะโพพฤกพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราตําำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปี ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหก่อนพุทธศกสี่สิบห้าปียามใกล้รุ่งอรุณโนทย โอ้พระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธศาธสดาทุกกระสวนรู้โดยชอบพร้อมครบจบกระบวนโดยพระองค์เองล้วนไร้ครูบาทรงแจมแจ้งแทงตลอดอริยสัจสามั ญ, ญลักษณ์ประจักษ์ชัดตัดโมหะ ปฏิจจสมุ ป, ปาทธรรมมาอาังคตะสังคตาประจักษ์จริงสัพพันยูรู้แจ้งทุกแหล่งธรรมอาศัยอํานาจตรัสรู้ยิ่งทรงมหิทธิปัญญาท้าให้ติง่งมารพรมวิ่งหนีหน้าไม่ท้าอะไร